มิลินธปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาทุติยวัครับปฏิสันทีข้าหานะปัญหาที่สอง ถามว่าคนที่ไม่เกิดอีกรู้ตัวหรือไม่ว่าเราจะไม่เกิดอีกต่อไปขณะนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอค์การถามอัธปัญหาอื่นสืบไปอีกเล่าว่าพันเตนาคเสณนะข่าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าโยปุคลโลอันว่าบุคคลผู้ใดนับปฏิสันธิยติไม่เกิดอีกในชาติเบื้องหน้า โสชานาติบุคคลผู้นั้นรู้ตัวหรือไม่ว่าอาตมานี้จะไม่เกิดต่อไปจะรู้กรณีหรือว่าหาไม่ได้พระน่าเกษรผู้ปรีชาแก้ไขว่ารู้สิขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสซักถามว่าเมื่อผู้นั้นไปเกิดแล้วทำไมจะรู้ พระนาเคเษนผู้ประเสริฐแก้ไขว่าเหตุปัจจัยที่ไม่เกิดต่อไปนั้นดับหมดไม่มีเหตุชนี้จึงรู้ว่าอัตมนี้ไม่เกิดเป็นรูปเป็นจิตต่อไปขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ตรัสว่านิมนอุปมาให้แจ้งก่อนพระนาเคเษนถวายพระพรอุปมาว่ามหาราชะ ดูราณะบพิษพระราชสมภารเปรียบปานประดุดข้าหบดีชาวนากรสิตตวาถากไร่ไถนาด้วยตนทำลงคงเส้นคงวานับนาได้หลายอันครั้นถากไถดะแปรเสร็จแล้วมินานก็หวานข้าวลงในนาครั้นถึงกำหนดห้าเดือนหกเดือนจึงเป็นรวงสุกแล้ว ก็เตือนให้ข้าสินไทยไปเกี่ยวข้าวบรรทุกลงล้อเกวียนลากเข็นมาริมบ้านกองไว้ในลานนวดฟันแล้วขนข้าวนั้นขึ้นใส่ไว้เต็มยุ้งในปีแรกทํานั้นอปรเรณะสมยเยณครั้นรุ่งปีใหม่ขะหะ บ, บดีก็ถากไถ่ไรนาตามอัตมาเคยทํานั้นหวานข้าวปลูกลงนาตามเคยหวานมา ถ้าน้ำดีปีใหม่ข้าวไม่เสียหายขหะบดีนายนาจะรู้หรือไม่ว่าข้าวปลูกที่หวานลงไว้จะได้เต็มยุ้งเท่าเก่าพระเจ้ากรุงมิลินตรัสว่าขหะบดีนั้นเขารู้สิพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรเขารู้ด้วยเหตุอะไรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเขารู้ด้วยเหตุปัจจัยอันแรกกระทำนั้นเต็มยุง้ง ครั้นปีใหม่เขาก็กระทําเท่าที่เคยกระทํานั้นจึงรู้ว่าเต็มยุ้งพอกินไปขอถวายพระพรชั้นใดก็ดีพระโยคาวจรที่ไม่เกิดไปอีกชาติหน้าก็รู้ว่าเหตุปัจจัยที่แต่งให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนานช้าจะขน า, นานับไม่ได้และเหตุปัจจัยนั้นสิ้นไปท่านก็เข้าใจว่าอัตมนี้ จะไม่ได้เกิดต่อไปอีกในภพบเบื้องหน้าบรมบพิจงทราบด้วยอุปมาณี้พระเจ้ามิลินได้ทรงฟังก็ยินดีปรีดาว่าพระผู้เป็นเจ้าอุปมาณี้สมควรกับปัญหาในการบัดนี้นับปฏิสันธิ่ขาหนะปัญหาคำรบสองจบเท่านี้